เออนั่งตรงนี้ก็ถนัดดีนะไรพิงเชื่อไมอาศ right? ัยฝาร่างทรงตัวไม่ค่อยอยู่เราเดินทางไกลนะข้ามวัตตาสงสารจิตเป็นนายกายเป็นเรือ จะเป็นหาเสือไปไปและให้เรือนหนักเกินไปเตอที่แล่นข้ามวัฏสงสาร้าสุกก็หนักถ้าทุกก็หนักจะเป็นเรือพ่วงหลงก็หนักผิดถูกก็หนัก หนักมากคือเควางหลงความโกรธความทุ ก, ททกข์บิดอกการเวดเลือก็คือมีสติทุกครัง้งที่มันหนักพระพิชชาสอนจากนี้ อ, อ, อ, อ, นอิกธิูทั้งหลายเธอจงบิดเรือของเธอให้มันเบากิเลสกรรมทั้งหลายจะบรรทุกไป เหลือของเธอจะแล่นได้สะดวกถึงได้ง่ายถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายแล้วก็บรรทุกมานานเหลือเกินหนักบาดานเป็นพะลาาเวเป็นจักขันธ์ธาขันธ์ถ้งเป็นของหนักเนือ้อ นอกในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปมหาภูตารูปเป็นเป็นรูปว่าัยคือดินน้ำลมไฟอุปทายรูปรูปที่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมาย กายก็เป็นเราความคิดก็เป็นเราสุขก็เป็นเราทุกข์ก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราเป็นตัวเป็นตอนอยู่ในความคิดความรูปรสกลินเสียงอันนี้ว่าอุปทายรูปอันรูปคือเออรูปอันละอุปทายรูปมหาพุทธรูปมันก็เป็นที่อาศัยทให้ใช้ได้ นีกายก็มาก็ดูดรู้มีใจก็รู้ใช่อย่างนี้โดยใช้ได้อย่าให้มันใช้เราถ้ากายมันใช้เราเราก็หนักถ้าใจมันใช้เราเราก็หนักนเร า, เราจึงบิดเท่ามันนี้ออกโดยมีสติชุกครังเห็นกายใน อยู่เป็นประจำเหมือนเจ้าของเรือถ้าอะไรมันเกิดจากกายขึ้นมาก็ให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นที่ว่าเรือไม่ลวถ้าเป็นก็เรือลวถ้าเป็นศุข ก, ก็เรือล่วแล้วถ้าเป็นทุกข์ก็เรือล้วแล้ว มีสติเป็นเจ้าของค อ, อยดูแลอยู่เสม อ, มอให้เรือเบาๆมันก็มีอะไร ม, มาม า, มานานแล้วต้องมีสตินี่เป็นตัวขยันขยันดูแลขยันวิดนน้ำจนมันเบาที่สุด มีสติเห็นกายสัว่ากายไว้ใช่สัตว์บุคคลโตตนเราเขานั่นคือเดือบาเวทนาก็เหมืนกันเห็นเวทน า, ส, ทนานสักว่าเวทนามันสุขมันทุกขนะ์นั้นไม่ใช่เราเป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนเราเขา เห็นคิดที่มันคิดก็สักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเหลือเล็กอย่างนี้ก็เบาเห็นธรรมที่มันเกิดจากจิตใจของเราเป็นควมามงู่เก่าโขนอนเห็นความคิดทดุ้งซ่านเป็นความลังเลสงสอยเป็นสุขกนทุกผู้วความคิดให้ให้ความคิดไปให้สุขให้ทุกอันนั้นเรือมันหนัก เห็นส so ักตัวทำไม่ใช่จดบุคคลตัวตนเราเขาอย่างเนี้ยก็ลสัมผัสดูแล้วมันหลงไม่หลงมันจะเบาถ้าหลงเป็นหลงมันจะหนักถ้าโกรธเป็นโกรธมันจะหนักทุกข์เป็นทุกข์มันจะหนักโลภเป็นโลภมันจะหนักให้เห็นให้เห็นอย่าเป็น มันจะแล่นสบายเรื่องเราเนี่ยไปทางนี้เหมือนกันหมดอันเดียวกันวันทุกอย่างเดียวกันเหมือนกันหมดไม่ต่างกันอย่านึกว่าเราเป็นคนเดียวใครก็เป็นผู้เจ้าทด่เดินผ่านทางสายนี้มาจึงบอกไว้ว่านี่มันเป็นอย่างนี้เห็นอย่างเดียวกันกับพระผู้เจ้าเห็น ถ้าจะผ่านพวกคนไปก็ผ่านที่เดียวกันเอาความหลงไว้หลังเอาความทุกข์ไว้หลังเอาความโกรธไว้หลังเอาความพอใจไม่พอใจไว้ข้างหลังเอาความสุขความทุกข์ไว้หลังมีแต่สติสองชัญญยะเรือเบาๆอ้ยนขึ้นฝั่งได้ถ้าทุกข์ อันก็ไม่ใช่ขึ้นฝั่งได้ยากเานุโนลงไปมันหนักลงไปโจมลงไปเราจึงขยันสักหน่อยทอพายโบราณท่านว่าพายเถิดพ่ออย่าลังรอภายตะวันจะสายตลาดจะวายสายวาัวจะดังมันวายเป็นมันสายเป็ดมันเน่าเป็น สังขารร่างกายนี้ถ้าหมดไปแล้วก็เหมือนท่อดไม้ท่อดพืน้นที่เขาทิ้งบนแผ่นดินใช่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ในนี้ยังใช้ได้อยู่เกี่ยวอยู่ถ้ามันลงรูปใช้ได้แล้วถ้ามันทุกก็รู้ใช้ได้แล้วทามาสุขก็รู้ใช้ได้แล้ว ไม่ใช่เราจะให้โศกให้ทุกสัง่งงานสังฆาาเราเราไม่ต้องเป็นทาสเราเป็นนายถ้าเราทำอย่างนี้ฝึกอย่างนี้ก็ เ, เป็นเจ้าของเราเองมีสิทธิมันหลงเราผิดมีสิทธิไม่หลงมันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์มันโกรธเรามีสิติไม่โกรธนี่เรว่องสติธรรมมาที่ปัจจย ใช้สิทธิของเราให้ได้อย่าไปสละทิ้งบางทีเราทิ้งไปชาสิทธิอันนี้ไปเอาอันอื่นเช่นเวลาโกรธไม่อยากจะลื ม, มข้ามวันข้ามคืนเวลาทุกข์ก็ไม่อยากจะลื ม, มแต่คววงหลงเป็นเจ้าว่าเจ้าเรือนห<ม>ลงมากกว่ารู้ ดูดีๆเวลาเรานั่งยกเวอร์ช่างยังหวะวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งมันหลงกี่กี่ครั้งแต่ละวินาทีมันรู้ไปตามการเคลื่อนไหวของกายไหมกับพยายามใจใจลบเขียนใหม่เหมือนกับเราขัดเขียนหนังสือ ทำงานผิดพลาดถ้ามัผิดก็แก้ใหม่มันแก้ได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่ปฏิบัติได้อยู่เปลี่ยนใหม่ทําให้มันถูกเวลามันผิดไม่ทําให้ถูกมันก็ผิดอยู่เรื่องได้เลื่อยไปเวลามันหลงเปลี่ยนไม่หลงเนี่ยแก้แล้วเหมือนกับซ่อมแล้วมันเป็นรอยความหลงในชีวิตเรา เราก็ซ่อมแล้วเหมือนรดมือสองใช้งานมาเยอะใช่เป็นความหลงเป็นความกอใจไม่พอใจจนต็นลอยในชีวิตเราเลยทีเดียวเราจึงมาทำเรื่องนี้กันให้หมันจบลงไปซ้าความหลงเป็นขั้สุดท้าย ความทุกข์เปัน้นสุดท้ายความโกรธป็งขั้สุดท้ายอะไรเป็นขั้นสุดท้ายมีสติแล้วได้อยู่ขึ้นฟังแห้งพูะเจ้าเรียกอยู่เสมอนน้นฟังโน้นจมเลยถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำขึ้นมาขึ้นมาเนี่ย ไปสุกไปทุกไปหลงไปโกรธทำไม่ขึ้นมาขึ้นมามันมีอยู่ฟังอ่ะมันมีบกอยู่ไม่ใช่มีแต่น้ำํำมันมีบกเหมือนลุงตาเล่าเรื่องเต่ากับปลาให้ฟังัเต่ามันเป็นจัตตอเทือนบกจะเทือนดางไม่เหมือนปลานี่ยคือชีวิตของเรามันเป็นจัตประเสริญ ต้องฝึกตนสอ น, น, นตนทำไมสอนนักก็ไม่ไปเสดจมันเร็วกว่าสัตว์ด้วยซ้ำไปมันมีนระกด้วยนะมนุษย์ในคนเรานะมันมีเปรตมีสัลเกยมีสัตว์ดีรฉานด้วยถ้าไม่หัดนะถ้าเราหัดมัน ก, ก็จริงจะพ้นไปจากเล่นนี้ไปสูม่มรรคผลนิพพานแห้งจืดหรือศูน ทุกเหลือศูนย์ไม่มีค่าสุขก็เหลือศูนย์ไม่มีค่าโกรธโลภหลงไม่มีค่าไม่มีค่าเป็นเป็นสุญิตาชีวิตเป็นสุญิตาวิหารบ้างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อะไรที่มันเกิดจากกายจากใจมันเป็นอาการธรรมชาติต้องมีความเจ่เท่าเป็นธรรมดาต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาต้อมีความตายเป็นธรรมดาไม่ใช่เราความเจ่ความเจ็บคว า, วามตายไม่ใช่เรามันเป็นธรรมดาของลูก อนตัวไม่ตายคือพราะที่เห็นเนี่ยไม่ได้เก็บกับมันเก็บเพียงบอกอยู่เสมอว่าเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันเก็บไม่เป็นผู้เก็บเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ลองดูตรงนี้ดูมันจะบริสุทธินะ์เป็นพรมนพรมจันท์นะเป็นพรรมจันทร์พรรมจันย์คือตรงนี้คือไม่เปื้อนเนกับพว เอาเลยทั้งหมดวิเตหเห็นเนี่ยเนี่ยเราก็ทำได้เห็นเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายถ้าจะถ้าจะบอกก็เป็นอาการไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกเป็นอาการที่เกิดกับกายกับใจไม่ใช่หิวไม่ใช่ร้อนไม่ใช่หนาวเป็นอาการที่เกิดกับกายกับใจงานของเรามัมีอย่างนี้ อย่าเทคให้มันงานค้างยุ่งเหยิงงานยุ่งเหยิงอนาคุลาจะกรรมมันตาการงานยุ่งเหยิงสับสนหลงแล้วหลงอีกทุกแล้วทุกอีกโกรธแล้วโกรธอีกอะไรก็อยู่ตรงนี้แทนที่มันจะหมดไปแล้ววันดีอะไร บางทีเราก็ไปเอาว่าดีด้วยเหมือนเห็นคงจักเป็นโดบัวเอามาเอามาปั่นหัวถึงเก็บปวดอยู่โกรธทั้งวันทั้งคืนให้ความทุกข์ควงโกรธนอนอยู่กับเราโล ด, ด, ดีๆมันไม่มันไม่ทุกข์ก็ได้ไม่โกรธก็ได้คนในโลกมีอย่าดึกว่าเราเอาไปอ้างการมันเดือดร้อน เดือนที่ผ่านมาสองเดือนที่ผ่านมาประเทศชาติเดือดร้อนกรุงเทพเดือดร้อนเราความโกรธความโลภความหลง <c oughs> เราไปวารกันขี่โทษแต่เขาคนผานขี้โทษคนอื่นบัณฑิตต้องเพ่งโทษตัวเองมองตนเตือนตนแจ้ไขตน ใครก็ผิดใครก็ถูกใครก็หลงใครก็รู้ได้มาที่จะแทนที่จะช่วยกันเอาไปด่ากันมันก็ไม่ใช่ไม่จบต้องมาแค่ตัวเรานี้เองมันก็จบเหมือนหนุมานทำให้ไฟเมื่อยไม่เมองหลังกาใครเป็นอยู่ที่หางหนุมานนะมันก็วิ่งไปไหนก็เกิดไฟไหม เราจุดดับได้ไงอ่ะมันก็หมดเลยมังนลังกาหานุมานมันไม่ยากเพียงเอาหางที่มันมีไฟมาอมเขานิดเดียวมันก็ดับโคตรแล้ววิ่งไปไหนก็ไม่มีไฟแล้วว่นนะนะชีวิตเราก็เหมือนกันนะต่างคนต่างเปลี่ยนความรู้ร้อยเป็นความดีมันก็จบง่าย <c oughs> ดังต้นทุกคนอย่างนี้ เสนอตัวเราก่อนเนี่ยให้โอกาสใจเราก่อนโอ้ท่านลับในงานนี่เป็นมิตรเป็นเพื่อนกับท่านทุกคนจะไม่พาหลงทิศหลงทางอันมีหลังจากนี้พระเจ้าสอนไว้เนี่ยทางมันไปสู่ถึงคือหมายไปทางมีอยู่เนี่ยทางไปไม่ถึงก็มีนะเมื่อไรเราจะเดินไปในทางนี้สักที ไม่แต่หลงอยู่ล่ะไปไม่ถูกสักทีแล้วจึงมามีสติเหยียบเส้นทางผ่านหลงเป็นรูปไปแล้วมันหลงก้าวใหม่ก้าวแรกมันหลงก้าวหลังไม่ต้องหลงก้าวแรกผิดพลาดก้าวใหม่ต้องมั่นใจมั่นคงเปลี่ยนอย่างนี้มันจะอยู่ไม่ได้ มันต้องตาพูดหวานนะว่าอย่าไปเพาะเชื่อมันกลมหลงถ้าหลงเป็นหลงหรือว่าเพาะไว้ถ้าทุกข์เป็นทุกข์ก็แล้วเพาะไวโกรธเป็นโกรธก็เพาะไว้มันก็ไม่เชื่อเหมือนเข้าเปลือกที่เอาไว้ในชาน ในยุง่งเอาเวลาถึงไดดูออกมาเพราะอา น, น่ากะเป็นของกินอ่ะก็มีประโยชน์อันความหลงความโกรธความโลภ ค, ค, ค, ความทุกความรักความชังมันไม่ค่อยมีประโยชน์มีแต่ไม่โทษถ้าเราไม่ถ้าเราทำสิ่งนี้ให้หมดไปก็เป็นประโยชน์มีคุณมีค่าต่อตัวเองและคนอื่นสังคม อ, อื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นดีไปหมด นะจากมือเฮานิ้วบนิ้วของเรามันทำได้มันทำได้ถ้าทำดีถ้าทำช่วงว่าฉีภายไปทั้งโลกเขื่อนโลกภาวะโลกร้อนเ<ล>พราฝีมือของคนไม่ใช่เกิดจากอะไรต่างๆสงถามเกิดจากฝีมือของคน การหยุดสันติภาพเกิดจากผีมือของคนเหมือนกันเหมือนกันหน้ามือหลังมือแต่ใช่หลังมือก็ผิดถ้าใช่หน้ามือก็ถูกเป็นความหลงเป็นหลังมือความไม่หลงเป็นหน้ามือไงมันก็อยู่ด้วยกันมาพร้อมกันเหมือนพระจิตตถาเห็นความเกิดก็เห็นความไม่เกิดต้องมีแน่นอนเห็นความแก่ก็เห็นความไม่แก่มีมาด้วยกันแน่นอน เห็นความเก็บก็เห็นความไม่เก็บอยู่ด้วยกันนั่ น, น, นแหละเห็นความตายก็ต้องมีความไม่ตายอยู่ด้วยกันนัินจึงเอามาเป็นโจทย์ศึกษาแล้วนี่จึงเกิดจึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพราะทำลายสิ่งเหล่านี้มันมีคู่มันใช่เราจะไม่มีทางมันมีคู่ ถ้ามีเกิดก็ต้องให้เกิดจนมาออกรถออกผนวดทรงกระดดดมาศึกษาก็ผ่านแล้วนี้ได้จึงได้เชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อเอามาสอนคนลูดดามลึกจึงชื่อเพิ่มกันว่าสำมาสัมพุทธโธจนมาถึงพวกเราเนี่ยเราก็ทาได้ มาแล้วสองสามพันปีก็ทำได้อยู่มันมีแต่เดิมแต่ก่อนไม่มีใครเห็นพอพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้เรื่องดีก็อว่าสอนพวกเราเราก็รู้ตามมูชนผู้เชื่อฟังคำสอนปฏิบัติชอบตามทบไ้ไหนพระเจ้าทรงสอนมันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่มันหนีไปไหน เรายังไม่จนหรอกเรื่องนี้อย่าไปมองแับแคบอย่าไปทุกคนเดียวอย่าไปหลงคนเดียวอย่ไปโกรธคนเดียวบอ ก, บอกเราด้วยเป็นน่าก็งงให้เสียใจอยู่คนเดียวทาไมไม่ต้องทางานก็ได้มาช่วยกันอย่างนี้มาช่วยกันอย่างนี้นนเราคนหลงทางก็ร้องบอกให้คนรู้จักทาง เหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยเหมือนก็บข้อมไว้หายขึ้นได้มันปิดไว้เปิดออกได้มันมืดก็มีแสงสว่างเวลามันหลงก็ยังมีแสงสว่างน้อยน้อยอยู่คือมีสตินั่นแหละทางตามไปแม้มันนิดหน่อยก็ยังก็ยังแกะพบสว่างออกถ้าเราตามมันไปอยากให้มืดเป็นมืด มันก็มีอยู่ในความมืดดันความสว่างก็มีอยู่มันไปคู่กันอยู่อย่าจนอย่าจนอย่าจนให้ขนขวายสักหน่อยมันดีนะงานอย่างนี้มันงานดีงานสูงโฉดเปลี่ยนหลงเป็นรูน่งเลยมันชอบที่สุด เปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกแต่ชอบที่สุดเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธชอบที่สุดอันที่มันไม่ดีเปลี่ยนให้เป็นดีมันมันดีที่สุดเลยไม่มีงานอันไหนที่ที่ยอดเยี่ยมเหมือนงานอันนี้งานชีวิตเราอย่างเงต่างคนต่างเปลี่ยนอต่เนี้ยมันก็จะสงบร่มเย็นได้ถ้าไม่มี ความหลงมันมีความโกรธมีความทุกข์เอาไปสนนคนอื่นให้เขาทำเหมือนเราเนี่ยอย่าอยู่คนเดียวสอนเขาเดินด้วยบอกคนนื่วด้วยจนสุดความสามารถนี่เป็นงานของเราเราก็มีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีมิตรมีพัญญาสามีมีลูกมีหลานมีแผ่นดินมีแม่น้ำมีอากาศมีป่าไม้แล้วก็ไปช่วยเฉย มือห้านิ้วของเราสร้างโลกได้อย่างเดียวถ้าไม่ไม่ไ ม, ไม่ทาอย่างนี้ก็คิบหายไปเลยน่ะอย่างพวกเราไม่เคยตัดต้นไม้สักตน้นเราก็เดือดร้อนแบบเนี้ยโลกร้อนแบบเนี้ยคนจะไปดีคนเดียวไปไหมต้องไปช่วยคนอื่นอย่าอยู่เฉยแยกของจระเกียงเลี้ยงคนทั้งโลกไปเลย มันอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีคำสั่งทางลามามาสั่งหร อ, ม, หรอมันเป็นไปเองเช่นเราเวลาเราไม่ทุกเห็นคนอื่นทุก์อยากช่วยเวลาเราอิมเห็นคนอื่นหิวก็อยากช่วยเวลาเรามีความสบายเห็นคนอื่นลำบากก็อยากช่วยเห็นเรานอนอยู่ในหลังคาในฝาในบ้านเรือนดีเอาคิดเห็นคนที่ไม่มีที่นอน มันก็จะคิดจะช่วยเหลือไม่ใช่เห็นเจตัวพระเจ้าได้เห็นเรื่องนี้คิดถึงใครล่ะแล้วแต่จะรู้นี่คิดถึงใค ร, ร, ค, ใ ค, รคิดถึงคนที่จะต้องปอกคือใครห้องคิดถึงหมดเลยเหมือนพ่อแม่ได้เลยมาคิดถึงลูกกอดพระเจ้าก็ากได้สัมผัสเรื่องนี้เขา้าคิดถึงคนที่ต้องมา รู้เรื่องนี้ด้วยจะมีใครนาะทำไมลึกๆ ล, ลับๆแบบนี้หนาีแค่ทค่เก็ทท่อพไทยมีใครจะรู้ได้หรือเนรียมีต้องมีได้ก็มองอยู่จึงคิดเห็นเป็นจับวิคีเหมือนกับจะวิ่งออกก็ว่าได้รีบจากพุทธคยาถึงพาราณสีอิสิ ป, ปัตะดังบริขัยวัน เป็นการแสดงธรรมเทศนาะกานแรกคือวันเพ็ญเดือนแปดที่ผ่านมาเมื่อสองวันนี้ธรรมจักรกัปตสูตรดเป็นวันลส า, า, นะาสาลหะะอาสัลหะบูชาแล้วก็สวดธรรมจักรก็บอกดังนี้เรื่องชีวิตเราเนี่ยแล้วก็คืนใครหรือคือเรานเนี่ย แล้วก็มีรูปมีนามรูปมันก็มีรูปทำมันก็ทำนามทำมันก็ทำทำดีทำชั่วรูปทำนามทำเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนกันหมดรูปทุกนามทุกเหมือนกันหมดหายใจเข้าหายใจอกจอกก็แช่ทุกข์เหมือนกัน ทิพตาหายใจขึ้นน้าลายยืนเดินนั่งนอนกินข้าวขับถ่ายอ้วาากไพลหลบภัยเหมือนกันโรคทับนรร้ำทำโรคทำน้ำทำอันหนึ่งคือมันทาชั่วมันทำดีอามรมณ์ทำน้ำทำอันหน่งคือมันธรรมชาติเหมือนกันหมดโรคโรคน้ำ โ, โ, โลกก็ม่โรกเหมือนกัน ของรูกก็มีต้องแก่ต้องต้องไปโชวความไม่เที่ยงต้องไปโชว์ความเป็ทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์แก่กอบมีรูกมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสิญญ่สญญงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตน สิ่ใดไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราพระเจ้าก็สอนอย่างนี้จากบอกทางแล้วก็ต่อมาถึงอนัตตาและฆนสูตรสอนปัญจ้ารีมันเป็นอย่างนี้จนเข้ามาสู่เลียชัดจีเหตุกับผลหลงเป็นเหตุทุกข์เป็นผลหลงเป็นเหตุโกรธเป็นผลหลงเป็นเหตุโลภเป็นผล ตัวใหญ่ตัวโผมันคือความหลงนี่แหละเก้าแรกที่สุ ด, สดพอมีสติแล้วก็ตรงได้คือความหลงตรงกันพอดีไอความรู้มีความหลงตรงกันพอดีแล้วเปลี่ยนซะอ่ตอเปลี่ยนเลยนั่นนะแล้วมีมสติเห็นมันหลงไม่มีใครไม่เห็นนะเจอเจือจ้อด่านแรกเลยหลง โล้นั่นแะมันคู่กันไปมันทุกข์ก็รู้่ะคู่กันไปแต่ตัวเฉลยตุลาการวิภากษาริากษาตุลาการน่ะฟ้องเกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นจากชีวิตเราวผมหลงไม่เป็นธรรมผมไม่หลงเป็นธรรมผมโกรธไม่เป็นธรรมผมไม่โกรธเป็นธรรมผมทุกข์ไม่เป็นธรรมผมไม่ทุกข์เป็นธรรมสามปฏัดดูแล้ว จรงๆไม่ต้องถามใครเป็นปัจจิตังลูกเฉพาะตนนี่คือปฏิบัติเป็นการสัมผัสลูกโลกนามโล ก, โล ก, โลกมันมีโลกอย่างนะชีวิตเรารักษาโลกให้หายอารคขยะปร า, าลานาพาพอไม่มีโลกเป็นหน้าใบเสดคือโลกแข่งกิเลสตัณหาลาค่าโทสะให้มันเลือลนลําเนี้มันเบาไป มันจะวิ่งเลยดว่วนเร็วไวที่สุดแป๊ะเดียวรัดนิ้วมือเดียวง่ายๆแล้วว่าทุกเดือไม่มีอ่ะไม่เอามาเป็นตัวเป็นตนมันมก็มีแต่ไม่ใช่เราจะทำไงเวลาแฉเป็นทุกเดือเก็บเป็นทุกเดือตายเป็นทุกเดือไม่ทุกไม่ได้เลย เราช่ำเพลี เ, เตรียมตัวไว้เดเพียงแต่หลงนิดหน่อยก็ทุกแล้วถ้ามันเจ็บมันจะตายเข้าเป็นไงมันจะทุกไปถ้าไม่เก่งตรงนี้ไม่นลาดไปตอนนี้ก่อนมันก็จะไปไม่ถึงต้องต้องต้องลาดไปอย่างนี้ก่อนก้าวไปข้ามพ้นความหลงเป็นความไม่หลงก้าวพ้นความทุกข์ความโกรธเป็นความไม่โกรธมันไปอย่างนี้นะทางผ่านไปอย่างเดียว มันจึงจะเหนือการเคยเจ็บเจ็บตายต้องตายต้องเจ็บแน่นอนเหล็กเว้นไม่ได้ถ้าตายทำไงเราถ้าเจ็บจะทำางถ้าไม่เห็นตั้งแต่เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายเท่านั้นมันจะยากอะไรเงิน ทางขึ้นเขามันลาดขึ้นตั้งแต่เนื่อนะู้มันก็ขึ้นได้ง่ายชีวิตของเราก็ากมันก็สูงม่ต้อ ง, งต้องงาจากต่ําก่อนเปลี่ยนหลงเป็นรูลาดมาแล้วถ้าหลงเป็นหลงไม่ได้ไม่ได้ลาดให้เจ้หน่อยเลยเป็นหน้าผาชีวิตขึ้นไม่ได้หากบตามผ้าด้วยเข่าไม่ได้จึงลาดเอาไว้ คุยทางไว้เซเวไว้ให้เป็นเป็นทางดำเนินชีวิตเราไปเดินเราเองพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกส่วนการกระทำเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี่เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกับบอกเดินไปทั้งนี้จากสลาหัวใจไป ทานอาหารที่ชลาอาชนะชาลาขหนะ้าข้าเดินไปแล้วไม่เคยเดินก็จะหลงถ้เดินไปแล้วไม่หลงชํานาญมากตรงที่มันหลงมันตรงไหนน่ะมันจะชํานาญตรงนั้นถ้าคนเดินทางนักเดินทางผิดต้นเลยจะถูกต้นเดินมากไปทุกเป็นศิลปะชํานาญมากขึ้น เป็นทั้งจาดทั้งชิ้นเงินนายช่างก่สร้างที่แรกก็ผิดผิดพลาดพลาไปค่อยดีทําไปทำไปเป็นดีเื่อยเล่มเก่ามีเล่มเก่าอันไรก้อนเก่าแต่ว่ามีผีมือใช่บ่อยๆไม่มีผีมือ ทำได้ดีนักเขียนนักก่อสร้างขีดไปไ ป, ไปเดียวเป็นรูปขึ้นมาแล้วตามแป๊บเดียวเป็นรลูปล่างขึ้นมามองทะลุทะลวงได้ออกปราจากสติปัญญาแล้วชีวิตของเราบางคนจะเป็นนั้นว่าปะปิญญายาตะปะิญญากำหนดรูปโดยการรูปง่ายที่จะรูป รู้แล้วตีลข้างหน้าปริญาแฉกแฉกออกอะไรที่มันเป็นอะไรแฉกออกมาใช่ตัวใช่ตนปัญหาหน้าปริญาทําให้สิ่งนั้นหมดไปได้ถึงกระนั้นปฏิตีเย็บปิดไปจากกุฏิปติยฎดังอุฏปติชาอุฏปติอโลมข้อปติญานเกิดตรงนั้นนะ ยานเกิดที่ตรงที่มันหลงมันไม่ถูกต้องนะเป็นยานข้ามร่วงไปเราจึงไม่เห็นอาที่ไหนเอากายที่เป็นลำลาเอาจิตใจเป็นลำลามีสติเป็นตัวศึกษาเข้าไปมันจะเปิดเผยไม่ลี้ลับ <c oughs> อะไรไม่ลี้ลับ <c oughs> ในก า, กายกว้างสอกจะวานาืเคลื่นเนี่ย เห็นเป็นหมวดไปมเห็นอันหนึ่งก็เห็นอันหนึ่งไปเห็นอกุศลมันก็บอกนี่คืออกุศลเห็นกุศลมันก็บอกไปคนละทางแบบนี้สัมผัสดูเดินรู้อกุศลคือหลงโกรธคือรูปแล้วก็ความไม่หลงความไม่โกรธความไม่รูปมันก็ไปทางนี้เหตุนเห็นกุศลอกุศลไม่เคยทําบาปทางกาย ไม่เคยทําบาปทางวาจาไม่เคยทําบาปทางกิจใจบริสุทธิ์ดูซิมันก็เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมามีศีลมีสมาธิเป็นปัญญามีศีลมีสมาธิเป็นปัญญาศีลก็กำจัดกิเลสกาจัดทุกข์ไปเองศีลจะรักษาเราไปเอง แต่มนติจะรักษาเราเองบรรดาจะรักษาเราเราเองจึงว่าพระเจ้าจึงว่าพระเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์คือคุณธรรมพระเจ้าจริงๆคือธรรมะพุโทโธทุกขสักขาตาจาวิคาดาจาวิทัตสเบพระเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ ธมโมทุกขสขาตาจาวิขาตาจายตัตสเบว่าทำเป็นเครื่องกําจัตุคุกว่าสงเป็นเครื่องกําจัตุคุกเป็นประโยชน์เจ้าพระเจ้าถ้าเจ้าจะเป็นทาสของพระพุทธเจา้าพระเจ้าเป็นนางไงของอิสระเหนือข้าพระเจ้าอันที่มันถูกต้องมันมีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยนั่นจะไปเอาความชั่วความไม่ถูกได้ยังไงกอเป็นที่เคารพความ เต็มทพผู้เจ้าเคารพพระธรรมผู้เจ้าทุกองคเคารพพระธรรมได้เป็นมาแล้วได้เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้จะเป็นไปข้างหน้าเราจึงต้องอย่าจนเถอพวกเราพวกเราขอเป็นบิตเป็นเพื่อนกันพออยู่กันได้ก็อยู่ไปชวนกั<ป>ออนมาก็ดีอ่า <c oughs> <c oughs> หรือว่ามาได้ทุกโอกาส นี่ก็มีเสนาสนาะสัปยะพออยู่กันได้อาหารสัพะยะพอได้อยู่ได้กินอุคคนสัพยะก็พอมีเป็นมิตรเป็นเพื่อนไม่เดียวได้เจ็บใค้ได้ป่วยก็ช่วยกันดูแลกันไม่ทอดไม่ทิ้งทั้งมาสัปะยะก็ามาสัมผัส ด, ดูว่าเราสอนเหล่านี้เราขี้อย่างนี้นั่นหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลง ธรรมสปาย ะ, ะไม่จนนี่ประเทศไทยบางไทยชาวพุทธพระสงฆ์บวชจบบวชิกาเป้ขี่พิจูดีเราจึงเราจึงใกลก็ว่าวิหวังก็ว่าถ้าหวังจะว่าหวังก็ว่า ไม่ต้องสิ้นหวังไม่หวังอยู่อย่างน้อยก็คิดถึงพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์จากนั้นไปบอกตอนดอนจัห้องอยูก็ไม่ทันนะไปตีก่อเรียกสวดมนต์ให้ฟั ง, งอัลังสังอาสัมพุโทภคบวาอุทังสนังกัจจามิ สามังสนังกชามีตั้งครังสนังกชามีคนป่วยก็ยังนอนเฉยอยู่อลายขักงหลายรอกเราไปสรวจที่คนป่วยนอนอยู่ห้องไอซียูฝังตีขาะก๊กกกเรียกยังไม่ตื่นบางทีพอตื่นขึ้นมาก็ไปขอบุญเจ้าขอบุญเจ้าใส่บุญเจ้าดีท้บเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ต้องโป่งโดย ยมเคยใส่บาทรเนาะยมเคยทำบนนะุญเนาะเคยรักศีลนาะเคยเห็นพระนะพระเดินมายอมใส่บาทเคยทำแล้วนะนะเรียกยกมือขึ้นไไว่าไหว้ตอนหน่อยอขึ้นมาไหว้มองนะเราเห็นหนะ้าเออนี่หลวงพ่อมาถึงท่านแล้วหลวงพ่อมาเยี่ยมเรียกร้ อ, องตะคนนเนาะพรนก็ไม่ไหว ถ้าหลังไม่เริ่มต้องมาแจ้งไขไว้เตรียมตัวไว้เตรียมตัวก่อนเต็มเตรียมตัวก่อนตายเตรียมใจก่อนตายเตรียมกายก่อนแตกเตรียมน้ําก่อนแรกแต่เบี่ยงก่อนเดินมีการเตรียมด้วยนะถ้าไม่เตรียมไม่ได้อานจะพะลุงพะหลังรีบอะไรก็ทําไม่เป็นคอยเรามาทุกไปถ้ารุ่มร้องคอยทํางไร เวทนาก็เป็นใหญ่เคยว่าไหมเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่จัตุบุคณตัวตนเราเขาว่าแต่ปากใจทำไมเป็นไม่เห็นยิงบอกให้ทำเนี่ยเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์นะนะทไว้เดี๋ยวนี้วันนี้ดีกว่าชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้เวลามันหลงเห็นมันหลงหัวโลกคงหลงได้ถ้าเห็นตา ถ้าเป็นหัวโลภไม่ออกต้อเห็นเรองหัวโลภความโกรธได้แค่นี้ก็โกรธตัวเนี่ยรแค่นี้ก็ทุกข์ตัวเนี่ยเบาบางขนาดนี้จะเป็นอะไรเป็นพ่อคนเม่คนหนางต้องหัวโลกควาโกรธได้หัวโลภคทุกข์ได้ถ้าเป็นเรื่องหัวโลภไม่ออกมันเป็นตัวเป็นตนไปแล้วต้อเห็นมาคนละอันจึงไม่เปิด เ, เพื่อนเรื่องอันใด ปฏิบัติธรรมประพฤติ พ, พงจรรันคือทำอย่างนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์ชื่นเชิงนี่คื อ, อมีแน่นอนจะจะทรมีแน่นอนมรรคผลนิพพานมีแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ลาชสมัยถ้าเราเปลี่ยนหลงเป็นรู้ไปสู่มรรคผล็เ้าแรก แล้วก็พูดได้ฟังทุกวันแล้วก็ชวนกันทาเจริญสติเอาตัวใครตัวบันช่า ง, งกันไม่ได้ให้เห็นมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงน่ะนะถูกต้องที่สุดหรออ้าสมควรเจอเวลาพระพ้อกัน